วันนี้เป็นวันพระรหัสเส บ, บดีที่ห้าธันวาคมพุทธศักราช2567เป็นวันพ่อแห่งชาติเป็นวันที่พวกเราลูกๆทั้งหลายจะได้มาล้ำลึกถึงพระคุณอันประเสริฐของคุณพ่อและของคุณแม่ ที่ให้กำเนิดร่างกายนี้มาให้กับพวกเราเพื่อที่เราจะได้ใช้ร่างกายนี้ไปหาความสุขชนิดต่างๆได้ถ้าปราศจากร่างกายนี้เราก็จะไม่สามารถทำสิ่งต่างๆที่เราสามารถทำกันได้อยู่ในขณะนี้พระคุณของพ่อและพระคุณของแม่ จึงเป็นพระคุณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเราเปรียบเหมือนกับพระคุณของพระพุทธเจ้าพระคุณของพระอาหารหันตสาวก<ม>การได้ทําบุญการได้ตอบแทนบุญคุณต่อคุณพ่อและคุณแม่นี่ก็เหมือนกับการได้ทําบุญกับพระอาหารหันต์ได้บุญมากได้กุศลมาก เป็นเครื่องหมายแสดงบอกว่าเราเป็นคนดี mm hmm. คนดีก็คือคนที่มีความรับผิดชอบเหมือนลูกหนี้ที่มีความรับผิดชอบต่อเจ้านี้เ mm hmm. มื่อถึงเวลาที่จะต้องจ่ายหนี้คืนนี้ก็ทำอย่างเต็มใจทำอย่างเต็มที่ mm hmm. ไม่เบ mm ี้ยวถ้าไม่ใช้หนี้ ก็จะถือว่าเป็นคนที่ช่อโกง<ม>เป็นคนไม่ดี<ม>เราจะยอมรับหรือไม่ก็ตามว่าพ่อแม่มีบุญคุณกับเราหรือไม่มแต่ความจริงนั้น<ม>พระพุทธเจ้าบอกว่าพ่อแม่นี้มีพระคุณกับพวกเราอย่างมากและพระคุณของท่านนี้ต่อให้เราใช้ทดแทนบุญคุณให้กับท่าน มากน้อยเท่าไหร่ก็ตามจะไม่สามารถที่จะทดแทนบุญคุณที่ท่านมีกับพวกเราได้อย่างอย่างเต็มที่อย่างหมดคือถ้าต่อให้เราเลี้ยงดูพ่อแม่อย่างดีแบกท่านไว้บนบ่าบนไหลให้ท่านอัศาวะอุจจาระลาดสายร่างกายเราทำไปจนถึงวันตายของท่าน พระคุณที่ท่านมีต่อท่านก็ยังไม่หมดถ้าอยากจะให้ชดใช้พระคุณที่ของพ่อแม่ที่มีกับพวกเราให้หมดเราก็ต้องทำให้ท่านได้หลุดออกจากการไปเวียนว่ายตายเกิดในอบา ย, ยมุกการที่จะทำให้ท่านนี้พ้นจากการไปเวียนว่ายตายเกิดในอบาย ในอบายได้ก็ต้องเป็นพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งขึ้นไปคือเป็นขั้นสูดาบัน<ม>อย่างพระพุทธเจ้านี้ก็ทดแทนบุญคุณของพุทธมารดา<ม>ที่ให้กำเนิดแล้วเจ็ดวันต่อมาพระพุทธมารดาก็เสด็จสวรรคต<ม>ไปอยู่ในสวรรค์ พระพุทธเจ้าโตขึ้นได้บวชได้ตัดสรลุเป็นพระพุทธเจ้าก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถของพระพุทธเจ้านี้ไปโปรดพุทธมารดาที่บุญสอนได้แสดงธรรมบทพุทธมารดาตลอดระยะเวลาสามเดือนด้วยกันจนทำให้พระพุทธมารดาได้บรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมา พอได้ทำให้ท่านได้หลุดพ้นจากการต้องไปเกิดในอบายนละจะทำให้ท่านได้ไปถึงพระนิพพานได้ไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากก็ถือว่าได้ทดแทนบุญคุณของท่านได้อย่างสมบูรณ์เนะพราะท่านพุทธมารดาก็จะสามารถปฏิบัติทำต่อไปได้ด้วยตนเอง หลังจากที่ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วก็จะสามารถปฏิบัติให้ขึ้นสู่ขั้นที่สองที่สามและขั้นที่สี่คือขั้นพระอระหันต์ตามลำดับได้ด้วยตัวเอง <c oughs> ไม่ต้องกลับมาเ <c oughs> วียนว่ายตายเกิดแล้วนี่แหละคือการทดแทนบุญคุณของพระพุทธเจ้าต่อพุทธมารดาแล้วก็ทดแทนบุญคุณให้กับ พุทธบิดาด้วยการสอนให้ท่านได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์เจ็ดวันก่อนที่ท่านจะสิ้นพระชนน์ mm hmm. นี่แหละคือวิธีการที่จะทำให้เราสามารถทดแทนบุญคุณชดใช้บุญคุณที่พ่อแม่มีกับเราให้หมดได้อย่างสมบูรณ์ mm hmm. แต่ถ้าเรายังไม่สามารถที่จะทำถึงขั้นนั้นได้ อย่างน้อยเราก็ควรที่จะเลี้ยงดูท่านให้ดีอย่างน้อยก็ให้เลี้ยงดูท่านเท่าเท่ากับเราเลี้ยงดูเราเองหรือดีกว่าเราเพราะท่านเคยเลี้ยงดูเรามาเป็นเวลาเป็นสิบสิบปีด้วยกันสิบยี่สิบปีกว่าที่เราจะโตขึ้นมาเป็นตัวของเราเองได้ดูแลตัวของเราเองได้เราก็ต้องพึ่งพาใสาพ่อและแม่ ที่อยเลี้ยงดูเราอยู่มาอยู่อย่างสม่ำเสมอพอถึงเวลาที่ท่านแก่ชราลงไม่สามารถที่จะดูแลตัวท่านเองได้ก็ต้องถือว่าเป็นหน้าที่ของพวกเราลูกๆที่จะต้องทดแทนบุญคุณด้วยการเลี้ยงดูท่านให้อยู่อย่างสุขอย่างสบายเหมือนกับการอยู่ของเรา ไม่ใช่ว่าเราอยู่อย่างสุขอย่างสบายแล้วปล่อยให้พ่อแม่อยู่อย่างทุกข์ยากลาบากอย่างนี้เรียกว่าเป็นการไม่มีความกระตันยูกะตะเวทีความกระตันยูแปลว่าความสานึกในความรู้บุญคุณของผู้ที่มีพระคุณรู้คุณกระตะเวทีคือการทดแทนบุญคุณนี่คือสัญลักษณ์ของคนดี คนที่อยอมรับว่าตอนเองนี้มีหนี้สินที่จะต้องชำระต้องชดใช้เมื่อถึงเวลาที่ต้องชดใช้หนี้สินหนี้บุญคุณของบิดามารดาก็ต้องชดใช้หนี้บุญคุณมไม่ใช่มาอ้างว่าไม่ใช่ไม่ได้เป็นลูกหนี้ร่างกายที่ได้มานี้ร่างกายได้มาเพราะว่าพ่อแม่มไม่ได้ตั้งใจจะให้เรามาอย่างนี้ อันนี้เป็นการปฏิเสธบุญคุณของพ่อแม่ซึ่งเป็นลักษณะของคนที่เอาเห็นแก่ตัวคนที่จะเอาแต่ผลประโยชน์แต่ไม่ยอมเสียผลประโยชน์ของตนร่างกายที่เราได้มานี้ก็เปรียบเหมือนกับรถยนต์คันหนึ่งเราต้องการร่างกายนี้เราก็ต้องไปซื้อร่างกายนี้จากพ่อแม่มา พ่อแม่ก็ไม่เก็บเงินเก็บทองให้เอามาใช้ก่อนไปรอเวลาเมื่อมีเงินมีทองแล้วค่อยเอามาใช้ mm hmm. เหมือนกับเราไปซื้อรถยนต์ที่ที่ร้านขายรถยนต์เจ้าของรถยนต์เขาร้านขายรถยนต์เขาก็ใจกว้างเขาบอกเอาไปใช้ก่อนเมื่อมีเงินแล้วค่อยเอามาจ่ายค่ารถยนต์ mm hmm. แต่พอเรามีเงินแล้วเรากลับทำเมินเฉยทำเป็นลืมไป อย่างนี้เป็นลักษณะของคนที่ไม่มีความรับผิดชอบคนที่ไม่มีความรับผิดชอบนี่จะไม่ถือว่าเป็นคนดีได้ดังนั้นถ้าเราอยากจะเป็นคนดีคนนี้มีความรับผิดชอบต่ อ, อพระคุณของผู้ที่มีพระคุณกับเราเราก็ต้องนำลึกถึงพระคุณทดแทนพระคุณของผู้ที่มีพระคุณของเรา เมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องทำเมือ่อถึงเวลาที่ผู้มีพระคุณเขาเดือดร้อนตกทุกข์ได้ยากไม่สามารถที่จะดูแลตัวเขาเองได้มันก็เป็นหน้าที่ของเราที่เป็นลูกนี่นี่จะต้องมาใช้นี่บุญคุณอันนี้อ่นี่ก็เป็นสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้ว่า เราได้ร่างกายนี้มาจากพ่อจากแม่และเราได้ใช้ร่างกายนี้มาเพื่อมาทำประโยชน์อะไรต่างๆให้กับตัวเราเมื่อถึงเวลาเราก็ควรที่จะทำประโยชน์ให้กับผู้มีพระคุณกับเราด้วยเราจึงจะถือว่าเป็นคนดีได้เป็นคนที่มีความรับผิดชอบคนที่ไม่เบี้ยวหนี้เมื่อถึงเวลาต้องใช้ชดใช้หนี้ก็ต้องก็ใช้อย่างเต็มที่ ใช้อย่างสมบูรณ์ใช้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์เราก็จะถือว่าเป็นคนมีเครดิตคนมีเครดิตก็คือคนดีคนที่จะมีคนเขาเไว้ใจเชื่อใจ เ, ออเวลาจะทำอะไรก็มักจะจะไม่เครือบแขงสงสัยว่าจะทำอะไรที่ไม่ไม่ถูกไม่ควรหรือไม่จะทำตามที่ได้พูดได้สัญญาไว้หรือไม่ พมีเครดิตดีนี่การทดแทนบุญคุณของพ่อแม่นี้จะทำให้เราเป็นคนดีแล้วจะทำให้เรามีความสุขเพราะว่าเป็นการทําบุญทําทานอย่างหนึ่งเท่บเท่ากับการทําบุญกับพระ อ, อรหันต์เลยทีเดียวงนั้นถ้าอยากได้บุญมากๆก็ควรจะทําบุญกับพ่อแม่ของเราก่อน ครูบาอาจารย์บางรูปนี้ท่านบอกว่าไม่ต้องมาทําบุญที่วัดหรอกเอาเงินกลับไปทําบุญกับพ่อกับแม่ก่อนเลียงดูพ่อแม่ให้ท่านอยู่อย่างสุขอย่างสบายก่อนแล้วถ้าอยากจะทําบุญกับพระอรหันต์นอกนอกบ้านค่อยมาทําทีหลังแต่เบื้องต้นนี้เราต้องทําบุญกับพระอรหันต์ในบ้านของเราก่อนทําบุญกับพ่อกับแม่ที่มีพระคุณกับลูกๆอย่าง อย่างมหาศาลพกักวัแบบที่ลูกๆจะใช้เท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดนอกจากสามารถสอนให้ท่านได้บรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นไปได้เท่านั้นและวิธีที่จะทำให้เรามีความกระตังอยู่คือสานึกในบุญคุณของพ่อแม่ก็คือเราต้องหมันลำนึกถึงพรกคุณของพ่อแม่อยู่ทุกวันไม่ว่าเราจะอยู่กับท่านหรือไม่ก็ตาม ตามธรรมเนียมอระเพณีก็จะสอนให้ว่าก่อนที่เราเวลาที่เรากราบพระก่อนนอนหรือตื่นนอนขึ้นมากราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ให้กราบพ่อกราบแม่ด้วยให้เราเลิกถึงพระคุณของบุคคลเหล่านี้พระคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระคุณของบิดามารดาถ้าเราไม่ทําแบบนี้แล้วเราจะลืมได้เราโมแต่มี มีละมัวแต่ไปยุ่งกับการทำมาหากินหาความสุขต่างๆให้กับตัวเราจนบางทีเราก็อาจจะลืมพ่อลืมแม่ไปก็ได้แต่ถ้าเรามีการลำเลิกถึงพ่อแม่อยู่ทุกวันทั้งเช้าทั้งเย็นก่อนนอนก่อนนอนก็กราบพ่อกราบแม่ลำเลึกถึงพระคุณของพ่อของแม่ว่าถ้าเราไม่มีพ่อไม่มีแม่เราก็จะไม่มีเรา การที่เรามีร่างกายของเรานี้ได้ก็เพราะว่ามีมีพ่อมีแม่ให้เป็นผู้ให้กำเนิดกับเราแล้วนอกจากการให้กำเนิดแล้วก็เลี้ยงดูเราเสียสละทรับสมบัติเข้าของเงินทองให้กับเราเป็นจำนวนมากท่านก็เป็นเหมือนเจ้านี่ของเราที่เราไม่กลัวที่จะลืมแล้วเมื่อเราลังเลึกถึงท่านบ่อยๆมันก็จะทำให้เรา ถ้าเราไม่ได้อยู่กับท่านเราก็จะแวะเวียนไปหาท่านอยู่เรื่อยๆเพื่อไปดูสาระทุกข์สุขเดิบของท่านว่าท่านอยู่ดีกินดีหรือไม่มท่านสุขสบายหรือไม่ท่านเดือดร้อนขาดแคลนอะไรหรือไม่มถ้าท่านมีความเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือ<ม>เราก็ต้องรีบทําทันทีแต่ถ้าเราไม่ได้กราบไหว้พ่อแม่ทุกเชา้าทุกเย็น เราโมวแต่ไปยุ่งกับการทำมาหากินหาความสุขให้กับตัวเราเอง<ม>หรือให้กับครอบครัวของเราให้กั บ, บภรรยาหรือสามีให้กับลูกของเราเราก็อาจจะลืมผู้ที่มีพระคุณกับเราอย่างยิ่งก็ได้เพราะจิตใจมัวแต่ไปคิดแต่เรื่องการหาความสุขให้กับตัวเองให้กับครอบครัวของตนเองก็เลยอาจจะลืมคิดถึงความ สำคัญของพ่อของแม่ได้จ <Yeah. Yeah. S 1> ึงมีธรรมเนียมว่าถ้าเราต้องเวลาเรากราบพระ <Yeah. S 1> กราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ <Yeah. S 1> เสร็จแล้วเราก็ให้กาบพ่อกาบแม่ด้วย <Yeah. S 1> เพื่อจะได้รำนึกถึงพระคุณของท่าน <Yeah. S 1> เพื่อเราจะได้ไม่หลง <Yeah. S 1> ไม่ลืม <Yeah. S 1> เพื่อเราจะได้เป็นคนกระตันยู <Yeah. S 1> คือมีคนมีความสำนึกในบุญคุณของพ่อของแม่ แล้วก็มี ก, กตเวทีก็คือทดแทนบุญคุณเมื่อเราเราถึงท่านอยู่เรื่อ ย, เ ร, อยเราก็จะต้องติดตามดูสารทุกข์สุขเดือของพ่อของแม่ว่าท่านอยู่สุขอย่างอยู่สุขสบายหรือไม่เดือดร้อนอะไรหรือไม่ถ้าท่านเดือดร้อนทุกข์ยากลำบากเราก็ต้องรีบมาช่วยเหลือดูแลท่านทันทีนทแล้วเราจะเป็นคนดีเป็นคนที่สังคม ยกย่องสรรเสริญคนที่มีความกระตันยูกตเวทีนี้จะไม่มีไม่เป็นที่รังเกียของสังคมจะอยู่กับใครเขาก็ยินดีสนับสนุนช่วยเหลือส่งเสริมเพราะรู้ว่าเราเป็นคนที่มีความกตันยูกตเวทีเพราะว่าเราอยู่ในโลกนี้เราก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันโลกนี้เราไม่สามารถอยู่ตามลำพังได้ เวลาเราจะทำอะไรเราก็มักจะต้องมีผู้มาคอยช่วยสนับสนุนเราถึงจะสามารถเจริญก้าวหน้าในด้านลาบยศสารเสริญสุขได้<ม>แล้วถ้าเราถ้าเขาให้การสนับสนุนกับเราเมื่อถึงเวลาที่เขาต้องการการสนับสนุนจากเราเราก็ควรที่ให้การสนับสนุนต่อกันและกัน มันก็จะทำให้เราอยู่กันอย่างมีความสุขมีความนุ่มเย็ยนเป็นสุขความทุกข์ต่างๆถ้ามีก็ช่วยกันบรรเทากันไปตามกําลังอ<ม>ันนี้คือวิธีของขอ ง, ของคนดีที่จะอยู่ร่วมกันอย่างพาสุข<ม>อยู่ด้วยความเมตตาพร<ม>ะเจ้าบอกว่าเมตตาธรรมําจุนโลก<ม>โลกเรานี้จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเพราะเพราะว่าเรามีความเมตตาต่อกัน มีความปรารถนาดีต่อกันมีความช่วยเหลือดูแลกันไม่ใช่อยู่กันแบบแร่้งแคนอยู่แบบแบบใจฉืดใจดำหรืออยู่แบบเป็นศัตรูกันถ้าอยู่แบบนี้แล้วมันก็จะทำให้เราอยู่กันอย่างวุ่นวายอยู่อย่างทุกข์ทรมาร์ดโลกนี้เราจึงควรที่จะฝึกเจริญเมตตากัน เมตานี้เป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับมนุษย์อย่างพวกเราที่ยังต้องอยู่ร่วมกันถ้าเรามีความเมตตากันเราก็จะรักกันช่วยเหลือกันดูแลกันถ้าเราไม่มีความเมตตาเราก็จะเบียดเบียนกันรังแกกันทําร้ายกันสร้างความทุกข์ให้กับกันและกันอย่างไหนจะดีกว่ากัน การมีความเมตตากับการไม่มีความเมตตาอย่างไหจะดีกว่ากันถ้าที่ไหนมีความเมตตาที่นั่นก็จะมีความนุ่มเย็นเป็นสุขที่ไหนที่ปราศ จ, จากความเมตตาที่นั่นก็จะเป็นที่ไร้ความสุขความสงบมีแต่ความทุกข์ความวุ่นวายใจมีแต่การทํำลายล้างกันละกัน ถ้าเราอยากจะให้สังคมของเราอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขก็เราก็ควรที่จะมีความเมตตาต่อกันการที่เราจะมีความเมตตาต่อกันได้เราก็ต้องศึกษา ว, ว่าการมีความเมตตานี้มีลักษณะอย่างไรบ้างต้องทำอย่างไรบ้างในบทสวดการแผ่เมตตาท่านก็แสดงไว้ อีสี่ลักษณะด้วยกันของการมีความเมตตาเอาเวลาหุนตุสเปสตาเอเวลาหุนตุข้อที่หนึ่งขอให้เราจงอย่ามีเวรนีกรรมกับสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเลย mm. ไม่จองเวรจองกรรมกัน <c oughs> ให้อภัยกันเวลาที่มีปัญหาต่อกันมีการกระทบกระทั่งกันมีการทำให้เกิดความเสียหายกัน ก็ให้อภัยกันอย่าจองเวรจองกรรมอย่าถูถโทษโกรธเคืองอย่าฆาาพยาบาทอย่าร่างแค้นกัน<ม>เพราะว่ามันการกระทำที่แบบนี้มันจะเป็นการสร้างความทุกข์ให้ต่อกันละกัน<ม>การให้อภัยกันนี้จะทำให้ใจเย็นใจสงบใจไม่วุ่นวายและจะไม่เป็นการสร้างเวรสร้างกรรมให้ต่อกัน ถ้าเราไม่รู้จักการให้อภัยเวลาที่ใครเขาทําร้ายเราเราก็จะตอบโต้เขาร่างแค้นเขาพอเราไปร่างแค้นเขา<ม>ไปตอบโต้เขา<ม>เขาก็จะตอบโต้ก<ม>ลับมาอีกเราก็จะเพิ่มทวีคูณความรุนแรงไปเรื่อยๆจนใ น, นที่สุดกล้าจะต้องถึงกับการฆ่าฟันกันตายไปข้างใดข้างหนึ่ง<ม><ม>เสียหายทั้งคู่คนที่ไปฆ่าเขาก็ต้องไปติดคุกติดตาราง หรือไม่เช่นั้นก็ต้องคอยหลบหนีหลบซ่อนตัวอยู่ไม่เป็นสุขแล้วเวลาตายไปแล้วนี่ยังต้องไปใช้กรรมในอบายเพราะว่าการฆ่ากันด้วยความฆ่าปยาบานนี้จะทําให้ดวงวิญญาณนี้ต้องไปตกนรกนั่นเองเพราะฉะนั้นการฝึกการให้อภัยกันนี้จึงเป็นสิ่งที่ควรจะกระทํากัน การแผ่เมตตานี้ไม่ได้แผ่ด้วยการสวดเช่นที่เราเวลาไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วเราก็สวดบทแผ่เมตตาการสวดนี้ไม่ได้เป็นการแผ่เมตตาเป็นการศึกษาหรือเป็นการทบทวนวิธีของการแผ่เมตตาว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างเช่นสับเบสตาเวลาหุนตุสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอย่ามีเวรกันเถิด หมายความว่าเราอย่าไปมีเวรมีกรรมกับสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนั่นเองเราการไม่มีเวรมีกรรมเราก็ต้องรู้จักการให้อภัยการให้อภัยเท่านั้นที่จะทําทให้เวรกรรมระงับลงได้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเวรไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรถ้าเราไม่จองเวรเราก็จะไม่มีเจ้ากรรมนายเวรมาราวีมาคอยสร้าง ความทุกข์ให้กับเราแต่ถ้าเราไม่ให้อภัยเราจองเวรจองกรรมกันเราก็จะสร้างเจ้ากรรมนายเวรขึ้นมาที่จะมาคอยทำร้ายกันทำลายกันเื่องการแผ่เมตตาคือหมายถึงการให้เมตตาต้องให้ด้วยการกระทาไม่ใช่ให้ด้วยการสวดการสวดนี้เรายังไม่ได้แผ่เมตตาเราเพียงแต่เป็นการเรียนรู้วิธีแผ่เมตตาว่ามีอย่างไรบ้าง ก็มีอยู่สี่ข้อข้อที่หนึ่งก็คือเอาเวลาห้นตุอย่าจองเวรจองกรรมกันให้อภัยกันเวลาที่จะให้ให้อภัยก็ต้องเวลาที่เกิดเหตุการณ์เวลาที่ใครเขามาทำอะไรให้เราเกิดความเสียหายแล้วเราไม่ถือโทษโกรธเคืองเขาให้อภัยเขา อ, อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาต้องแผ่เมตตาด้วยการกระทำ กับบุคคลที่เข้ามาสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้กับเราไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามเราจะไม่โกรธเคืองกันเราจะถือว่าเป็นเหมือนลินกับฟันอยู่ด้วยกันก็ต้องมีโอกาสที่จะมีอะไรขบฟันกับลินก็อาจจะมีขบกันบ้างก็ได้อยู่ด้วยกันอาจจะมีการทำรายผิดพลาดที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อกันและกันก็ได้ แต่ถ้าเราให้อภัยกันปัญหามันก็จะไม่บานปลายเรื่องมันก็จะจบง่ายแต่ถ้าเราไม่ให้อภัยเราจองเวรจองกรรมกันเรื่องมันก็จะยืดไปเรื่อยยืดยาวไปเรื่อยและอาจจะข้ามภพข้ามชาติต่อไปก็ได้บุคคลที่เราคิดว่าเขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรเรานี้ก็อาจจะเป็นบุคคลที่เราเคยมีปัญหากันมาตั้งแต่อดี ต, ตชาติก็ได้ พอมาพบกันชาตินี้ก็จองเวรจองกรรมกันต่อไปฉะนั้นอย่ามาฝึกวิธีแผ่เมตตาด้วยการให้อภัยการละกันเวลาที่เกิดความเสียหายจากการกระทําของผู้ใดผู้หนึ่งเราก็อย่าไปโกรธเขาให้อภัยเขาอยา่าไปร้างแคนเขาคิดเสียว่ามันก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วความเสียหายมันก็เกิดขึ้นแล้ว เราไปทำอะไรไม่ดีกับเขาเราก็จะไปสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นมาอีกให้กับเขาแล้วเขาก็จะกลับมาทำความเสียหายให้กับเราเพิ่มขึ้นไปอีกอนี่ก็วิธีของการแผ่เมตตาข้อที่หนึ่งสเปสตาเวลาโหนตุยองอย่ามีเวมีกรรมกันให้อภัยกันข้อที่สองอัปยาปชาโหนตุอย่าเบียดเบียนกัน อย่าทำอะไรที่จะไปทำให e ้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อนการเบียดเบียนก็คือการทำให้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อนเวลาเราจะทำอะไรเราก็ต้องคำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมาว่าเราทำแล้วจะทำให้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อนหรือไม่ถ้าทำแล้วมีการทำให้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อนเราก็ควรจะระงับไม่ควรจะกระทําควรจะหาวิธีอื่นทาทาอย่างอื่น หรือเปลี่ยนสถานที่ทําถ้าเราทําตรงนี้แล้วทาให้คนข้างบ้านเขาลขาคาญเดือดร้อนกินไม่ได้นอนไม่หลับเช่นเาอาจจะจัดงานเลี้ยงส่งเสียงดังทําให้เขาคนนี้ไม่สามารถนอนหลับเป็นปกติสุขได้เราก็ต้องจัดงานเลี้ยงแบบเงียบๆอย่าไปส่งเสียงดังอย่าไปให้ผู้อื่นเขาต้องมาเดือดร้อนกับการฉลองความสุขของพวกเรากันหรือถ้ามัน จัดที่บ้านไม่ได้ก็ไปย้ายไปเปลี่ยนสถานที่ไปจัดที่ก็มีไว้สาหรับการจัดงานเลี้ยงเช่นตามโรงแรมตามร้านอาหารต่างๆอันนี้เราต้องรู้จักเวลาเราทำอะไรต้องคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้อืน่นอย่าให้ผู้อื่นก็ต้องมาเสียหายเดือดร้อนจากการกระทำของเรา น, นี่ก็คือลักษณะของการไม่เบียดเบียนกัน หรือแม้แต่การทำอาหากินเราก็ต้องทำอาหากินแบบที่ไม่ใบเบียดเบียนพูดต้องทําอาชีพสุจริตเช่นไม่ทําอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพราะเป็นการใบเบียดเบียนสัตว์นทําให้เขาต้องเสียชีวิตจากการที่เราต้องมาทำอาหากินให้เราทำอาหากินกับสิ่งที่ไม่มีไม่มีชีวิตนีขายของขายผักขายอะไรไปขายข้าวขายน้ําไป อย่าไปขายสิ่งที่มีชีวิต็นต้องฆ่าเขาแล้วเพื่อเอาไปขายค่าเป็ดข่าไก่ค่าบัวค่าควายค่าปูค่าปลาอะไรต่างๆตรงนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นการเบียดเบียนกันอย่าไปทำสิ่งเหล่านี้เพราะเราไปสร้างความทุกข์ให้กับเขาแล้วทุกนั้นมันจะกลับมาหาเราต่อไปในอนาคตตายไปแล้วกลับมาเราจะต้องกลับมาเกิดเป็นสิ่งที่เราไปฆ่าก็ได้ ถ้าเป็นฆ่าไก่แล้วก็จะกลับมาเกิดเป็นเป็ดเป็นไก่ให้เขาฆ่าต่อไปถ้าเราไม่อยากที่จะต้องมารับผลกรรมของการเบียดเบียนพูดก็อย่าเบียดเบียนพูดให้หาอชีพที่สุดจริญหาอชีพที่ไม่สร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้นนี้ก็คือการไม่เบียดเบียนกันอยู่ร่วมกันต้องอยู่แล้วให้ทุกคนมีความสุขจากการกระทําของเราไม่ใช่ ทำให้พู้อื่นเขาเกิดความทุกข์เดือดร้อนต่างๆนานานี่คือข้อที่สองของการมีความเมตตาอัปยาปชาโหนตุไม่เบียดเบียนกันอนีฆาโหนตุไม่ทำร้ายร่างกายและจิตใจของกันและกันเวลาเราทําอะไรพูดอะไรก็ต้องระมัดระวังว่าจะไปทําให้ไปทำร้ายร่างกายเขาหรือเปล่าไปทําให้จิตใจไปทำร้ายจิตใจเขาหรือเปล่า ทำให้จิตใจเขาต้องทุกข์ลำบากหรือเปล่าถ้าทำนะจะทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาก็คนที่จะระ ง, งับอย่าไปทำเพราะนี่ไม่ใช่เป็นลักษณะของการมีความเมตตาการมีความเมตตาเราต้องกระทำอะไรที่ไม่ทาให้ไปไม่ไปทำร้ายร่างกายและจิตใจของผู้และข้อที่สี่ของความมีเมตตาก็คือให้ความสุขกับผู้ สุขีอตา낭งาริหารันตุขอ <es. S 2> ให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีแต่ความสุขเราก็ต้องส่งความสุขให้กับเขา <Lanc> วิธีส่งความสุขก็ส่งของที่ส่งของที่ทำเวลาที่เขรับของาอจากเราแล้วเขามีความสุขเช่นส่งข้าวของเงินทองไปให้กับเขาเช่นในช่วงปีใหม่นี้เราก็มักจะมีการส่งของ ข, องขวัญให้ต่อกันละกั น, น, นแล้วเราก็เห็นคาว่าสคส คาวสก อ, อสอก็คือส่งความสุขนี่เราควรที่จะให้ความสุขกับผู้อื่นด้วยการให้ให้สิ่งต่างๆที่เราพอที่จะให้ได้ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินข้าวของเงินทองอหรือวิชาความรู้หรืออะไรต่างๆที่จะทำให้เกิดความสุขแก่ผู้อื่นก็คือการทําบุญทําทานนี่าการให้ความสุขกับผู้อื่นให้ข้าวให้ของ หลือเวลาที่เขาเดือดร้อนเช่นช่วง น, นี้มีน้ําท่วมตามตามภาคต่างๆเราก็ส่งสบียงไปส่งอาหารส่งกับข้าวกับปลาไปส่งเครื่องใช้ไม้สอยที่จำเป็นต่อการดำรงชีพไปส่งให้กับผู้ที่เขาทุกข์ยากเดือดร้อนพอเขาได้รับข้าวของสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีพมันก็บรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนทำให้เขาอยู่มีความสุขขึ้นมาได้ นี่คือการแผ่เมตตาหรือการมีความเมตตาต่อสปปรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งวปวงสัตตสตาก็หมายถึงสัตว์ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเดรัจฉานก็ตามหรือแม้แต่ดวงวิญญาณถ้ามีดวงวิญาณที่เขาทุกข์ยากลําบากแล้วเข้ามาขอส่วนบุญส่วนบุญกุศลของเรา<ม>เวลาเราทําบุญเสร็จเราก็อุทิศบุญนี้ให้กับผู้ที่ล่วงละลไปแล้ว อันนี้ก็เป็นการให้ความสุขอีกรูปแบบหนึ่งสำหรับผู้ที่ไม่มีร่างกายถ้าเขาไม่มีร่างกายเราก็ต้องส่งบุญไปให้เขาแต่ถ้าเขามีร่างกายเราก็ส่งข้าวส่งของส่งเงินส่งทองไปให้กับเขาเพื่อให้เขาอยู่อย่างมีความสุข <c oughs> น, นี่ก็คือลักษณะของการมีความเมตตาหรือการให้ความเมตตาแผ่เมตตาต้องแผ่ด้วยการกระทะ ไม่ใช่แผ่ด้วยการสวดทุกครั้งที่เราสวดแผ่บทแผแ่เมตตานี่เราไม่ได้แผแ่เมตตาเลยเพราะไม่มีใครมารับการการกระทําของเราเพราะเราไม่ได้กระทําอะไรล้วนั่งเฉยๆแล้วก็สวดไปการสวดจึงไม่ใช่ว่าเป็นการแผแ่เมตตาขอให้เข้าใจไว้เพราะบางคนเข้าใจผิดคิดว่าเวลาเราสวดแล้วเราได้แผแ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์แล้ว แต่ความจริงเราไม่ได้แผ่ให้ใครเลยสรรพสัตว์เขาไม่รู้เสียด้วยซ้าไปว่าเราแผ่อะไรให้กับเขาไปต้องแผ่ด้วยการกระทาไม่ไม่จองเวรกันเวลาหหนตุไม่เบียดเบียนกันอา บ, บยาปชาโหนตุอานิขาหหนตุไม่ทำร้ายร่างกายและจิตใจกันและอัศสุขีอัตนาังปริหารันตุให้ความสุขต่อกันถ้าเราสามารถทา แผ่เมตตาได้ในชีวิตรประจําวันของเราเมื่อมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ว่าเราจำเป็นจะต้องไปทําทุกวันแต่เวลาเราทําอะไรเราก็ให้นึกถึงผลกระทบที่จะตามมากับผู้อื<ม>่นถ้ามีเหตุการณ์ที่เราจะต้องให้อภยัยเราก็ให้อภยัยถ้ามีเหตุการณ์ที่เราจะต้องไม่เบียดเบียนเราก็ต้องไม่เบียดเบียนถ้ามีเหตุการณ์ที่เราจะต้องไม่ไปทําร้ายร่างกายและจิตใจเราก็ต้องไม่ทำํำ ถ้ามีเวลามีเหตุการณ์ที่ทำให้เราต้องให้ความสุขกันเราก็ส่งความสุขไปให้ต่อกันละกันอันที่สองของการมีความเมตตานี้พระเจ้าทรงแสดงไว้อยู่หลายประการด้วยกันคิดว่าประมาณสิบประการด้วยกันแต่อาจจะจาไม่ได้หมดข้อที่หนึ่งก็คือจะอยู่เป็นสุขผู้ที่มีความเมตตานี้จะอยู่เป็นสุขหลับก็เป็นสุขเติรนก็เป็นสุขนอนหลับก็จะไม่ฝันร้าย จะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะไม่มีใครเกียดคนที่มีความเมตตาคนที่มีความเมตตาไปอยู่ที่ไหนกับใครก็มักจะมีคนรักคนชอบแล้วก็จะมีเทวดารักษาคุ้มครองไปอยู่ที่ไหนจะมีเทวดามาปกป้องรักษาเพราะเทวดาชอบรักษาคุ้มครองคนดีนั่นเองคนที่มีความกตัญความความกตัญญูคนที่มีความเมตตาแล้วก็ จะไม่ตายด้วยอาวุธหรือยอาพิษก็คือจะไม่ไม่ตายด้วยการฆ่าของผู้ถ้าจะตายก็ตายแบบธรรมชาติต า, ตายแบบเมื่อถึงเวลาร่างกายมันแก่แล้วอยู่ไม่ได้แล้วมันก็ตายไปแบบธรรมชาติหรืออาจจะตายด้วยอุบัติเหตุ อ, อุบัติภัยแต่จะไม่มีตายด้วยจากการกดกฎกเกลียดอาฆาตปยาบารของคนนั้นด้วยของคนนี้เพราะเราไม่ได้ไปทาสร้างความเกลียดชังให้กับใคร เราสร้างแต่ความรักความความยินดีให้กับผู้ต่อต่อตัวเราเราก็จะปลอดภัยจากการที่จะต้องตายด้วยอาวุธหรือยาพิษต่างๆนี่แล้วเวลาที่เราฝึกสตินั่งสมาธิจิตเราก็จะสงบง่ายเพราะจิตเราไม่มีนิวรณ์ไม่มีอาการเครียดไม่มีอาการคุ้งซ่าจากการที่เราไปเบียดเบียนผู้แล้วถ้าเกิดเราตายไป เราก็จะได้ไปสู่สุขตินี่คืออา น, นิสงส์ต่างๆที่เราจะพึงได้รับจากการมีความเมตตาเช่นมีความกตัญญูกตวเวทีกับบิดามารดาของเราเราทำบุญกับบิดามารดาของเราแล้วเราจะมีความรู้สึกสุขใจอิ่มใจเห็นบิดามารดาอยู่อย่างสุขอย่างสบายก็จะทำให้เรามีความสุขใจขึ้นมานี่ก็คือสิ่งที่เราชาวพุทธควรที่ จะปฏิบัติกันเป็นเป็นพื้นฐานเลยก็ได้เป็นนิสัยเลยก็ได้ว่าเราจะต้องดูแลกันช่วยเหลือกันให้อภัยกันอย่าเบียดเบียนกันอย่าสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้ต่อกันละกันแล้วชีวิตของเราจะอยู่อย่างนุ่มเย็นเป็นสุขในระดับหนึ่งแต่ถ้าเรายังอยากจะได้ความสุขมากกว่าไปก่อนนี้ ก็ยังมีการปฏิบัติที่สูงกว่านี้ที่เราจะสามารถปฏิบัติได้นั่นก็คือการบําเพ็ญจิตภาวนาการทําจิตใจให้สงบพอเมื่อจิตใจเราสงบแล้วจิตใจเราก็จะมีความสุขเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงการมีความเมตตาก็ให้ความสุขเราในระดับหนึ่งระดับทานระดับศีลเรียกว่าเป็นการเป็นการปฏิบัติ ระดัทานระดับศีลความเมตตาให้ทําบุญให้ทานก็เป็นเรื่องของความเมตตารักษาศีลไม่ทําร้ายผู้อื่นก็เป็นเป็นการให้ความเมตตาต่อผู้แต่ถ้าเราอยากจะให้ความสุขได้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากการมีความเมตตาต่อกันและกันจากการทําบุญทําทานจากการรักษาศีลถ้าเราอยากจะมีความสุขมากกว่านี้ถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ ที่เรายังติดอยู่ที่ยังมีอยู่ในใจของเราที่ยังพาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เราก็จำเป็นที่จะต้องมีการปฏิบัติทําขั้นสูงต่อไปคือจากการทำทานจากการรักษาศีลแล้วเราก็ต้องมาบําเพ็ญจิตตภาวนาเพราะการบําเพ็ญจิตตภาวนานี้เป็นการซักพอกจิตใจซักพอกสิ่งต่างๆที่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจให้หมดสิ้นไป พอใจปราศจากสิ่งที่สร้างความทุกข์ให้กับใจแล้วใจก็จะมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากการทำบุญทำทานเป็นความสุขที่เหนือกว่าจากอาการที่ได้รักษาศีลห้าถ้าอยากจะได้ความสุขที่เหนือกว่าศีลเราก็ต้องเพิ่มจากศีลห้าขึ้นมาเป็นศีลแป เพราะการจะบำเพ็ญจิตตาภาวนาคือการสตินั่งสมาธิให้ได้สมถะภาวนาคือความสงบแล้วก็ให้การปัญญาพิจารณาธรรมต่างๆเพื่อให้เกิดปัญญาก็เป็นการได้วิปัสสนาภาวนาการจะทำภารกิจสองอย่างนี้ได้สมบูรณ์ก็จาเป็นที่จะต้องมีการละเว้นการไปทำกิจกรรมทางอื่นหนการ ทำกิจกรรมหาความสุขทางรูปเสียงกยลิ่นรสผธิภัณฑคือทางกามคุณห้านี่เองผู้ที่ต้องการที่จะบำเพ็ญจิตใจให้สงบให้มีความสุขเพือ่อดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจก็จำเป็นที่จะต้องถือศีลแปดขึ้นไปคื อ, อนอกจากศีลห้าข้อที่เป็นศีลศีลเพืรร่อด้วยการไม่กระทำบาปแล้วเราก็ต้องมาถือศีลที่เรียกว่าเนคขมมะคือการ ละเว้นการหาความสุขจากการเสพลูกเสียงกิน่นรสผลิตภัณเช่นศินข้อสามที่เป็นศินสินห้าของศิลข้อสามสินสนข้อสามของศินห้าก็คือการเมสุมิจฉาจาราจะไม่ประพฤติผิดในการก็คือถ้าเราจะร่วมหลับนอนกับใครก็ต้องเ ป, เป็นบุคคลที่เป็นคู่ครองของเราเท่านั้นในศินห้าไม่ให้ไปหลับนอนกับคนอื่นที่ไม่ใช่เป็นคู่ครองของเรา แต่พอมาถึงศีลแปด น, นี้เราก็ต้องเปลี่ยนศีลข้อนี้จากการเมมาเป็นอ布拉 ม, มัจเรียคือจะงดเว้นจากการเสษกรรมหรือ จ, จากการร่วมหลับนอนกันไม่ว่าจะร่วมหลับนอนกับใครก็ตามจะไม่ร่วมหลับนอนกันจะไม่หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกันเพราะเป็นความสุขที่ต่ำกว่าความสุขที่เราจะได้จากการไปบำเพ็ญจิตตภาวนาเราก็ต้องหยุด เพราะว่าเราจะทำกิจสองอย่างนี้ควบคู่กันไปไม่ได้จะภาวนาด้วยแล้วก็จะร่วมหลับนอนกับคู่ครองของเราด้วยมันก็จะเป็นกิจกรรมที่มันขัดกันสวนทางกันถ้าเราอยากจะได้ได้ความสุขที่เกิดจากความสงบเราก็ต้องละเว้นจากการมาเสกกรรเอาเวลาของการมาเสกการนี้มาให้กับการบําเพ็ญจิตตภาวนา ด้วยการเจริญสติด้วยการนั่งสมสมาธิก็ทําจิตใจให้สงบ<ม>ดังนั้นการที่จะภาวนาให้เกิดได้ผลดีนี้<ม>จําเป็นที่ยัดหนึ่งต้องถือศีลแปดต้องปฏิบัติธรรที่เรียกว่าเนคขมะเนคขมะก็คือการยุติการหาความสุขจากกามคุณทั้งห้าการออกจากกลาง<ม>เรียกว่าเนคขมะก็ต้องถือศีลหกเจ็ดแปด เพิ่มขึ้นด้วยสินสามก็เปลี่ยนเป็นการไ ม, ไม่ไม่ร่วมหลับนอนกับใครไม่ร่วมเพศกับใครสินข้อหกก็ไม่กินอาหารตามความอยากให้กินตามความต้องการของร่างกายและตามเวลาคือไม่ควรกินมากเกินไปไม่ควรกินหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเพราะว่าถ้ากินไปเรื่อยๆทั้งวันมันก็จะไม่มีเวลามาเจริญสติมานั่งสมาธิดันั้นเรื่องของการกินนี้กินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกิน กินเพื่อเลี้ยงร่างกายไปให้อยู่ไปได้วันวันวันหนึ่งให้กินไว้เพื่อดับความหิวเท่านั้นแต่ไม่ได้กินเพื่อตอบสนองตัานหาความอยากไม่ได้กินเพื่อให้เกิดความสุกจากการกินถ้ากินแบบตอบสนองตัานหาความอยากมันก็จะกินไปทั้งวันทั้งคืนบางคนกินวันละสี่ห้ามือ้อห้าหกมื้อกินอยู่เรื่อยพอเวลาเกิดความอยา ก, ก้วอดไม่ได้ เอเกิดความอยากเราต้องกินทันทีถ้าไม่ได้กินเราจะรู้สึกหงุนงงลำคาญใจนี่ไม่ใช่เป็นวิธีหาความสุขที่ดีเพราะการกินตามความอยากนนี้มันจะมีโทษตามมาด้วยเพราะร่างกายก็จะมีน้ําหนักเกินเมื่อมีน้ําหนักเกินก็จะมีโรคภข้ไข้เจ็บต่างๆตามมาโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคความดันโรคอะไรต่างๆที่เกิดจากการกินอาหารมากเกินไปก็จะตามมา เป็นอันตรายกับร่างกายและจิตใจจิตใจก็จะคอยโกลนกระวายกระสับกระสายคิดถึงแต่เรื่องกินอยู่ไปเรื่อยๆจะไม่มีกระจิตกระใจที่จะมานั่งสมาธิทําใจให้สงบได้ดังนั้นเราจําเป็นจะต้องถือศีลข้อข้อขหกนี้คือการไม่กินอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วจะกินมื้อหนึ่งก็ได้จะกินสองมื้อก็ได้แต่ไม่ให้กินลเกินเที่ยงวันไปแล้ว แต่ถ้าอยากจะเป็นนักปฏิบัติที่ได้ผลดีเขานิยมนักปฏิบัติจะนิยมกินแค่มื้อเดียวกันกินตอนเช้าอย่างพระวัดนี้ก็ถือทุดดงกับว่าฉันมื้อเดียวเพราะว่าพอแล้วสาหรับการเลี้ยงดูร่างกายกินมื้อเดียวนี้ร่างกายก็อยู่ได้รับประกันได้ไม่ตายจากการขาดอาหารอย่างแน่นอนแล้วยังเป็นการป้องกันนิวรคือความง่วงเหงาหงน่อนความเกลียดค้าน พราถ้าเวลาเรากินมากๆแล้วมันจะเกิดอาการง่วงนอนเกิดความขี้เกียจแทนที่จะไปนั่งสมาธิก็อยากจะนอนแทนนะก็จะไม่สามารถไปนั่งสมาธิได้หรือถ้านั่งสมาธิไปได้เดี๋ยวเดียวก็เกิดอาการสรับประกขึ้นมาเกิดอาการหาวขึ้นมาแล้วก็ไม่อยากจะนั่งต่อไปก็ต้องล้มเลิกเพราะอยากจะไปนอนแทนนะนั้นการถือศีลข้อขอนี้จะช่วยช่วยสนับสนุนการปฏิบัติจิตตภาวนา และบรรเทานี่วนคืออุปสรรคที่ขวางกั้นในการบำเพ็ญจิตตภาวนาไม่ให้เป็นไปได้อย่างราบรื่นนั่นเองกินน้อยๆแล้วร่างกายจะตัวเบาใจก็จะมีสติไม่ง่วงเหงาเหาหนอนเวลานั่งสมาธิก็นั่งได้อย่างสบายเวลาเดินจงกรมก็เดินได้อย่างสบายไม่เกียดค้านมีความมีพลังนี่คือ สินข้อหกอย่าไปหาอย่าไปแสวงหาความสุขจากการรับประทานอาหารมากจนเกินไปให้เอาเวลาของการไปหาหารรับประทานอาหารมาให้กับการเจริญสตินั่งสมาธิจะดีกว่าเพราะผลที่ได้จากการเจริญสตินั่งสมาธิจะทำให้ใจสงบใจมีความสุขแล้วก็ไม่ไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสคือพวกบันเทิงห ร, รอศพบันเทิงต่าง นี่ก็คือข้อศินข้อเจนะ็ดไม่ไปหาความสุขจากการดูการฟังละครดนตรีหรืออะไรต่างๆภาพยนตร์อะไรต่างๆนี่หรือไปงานเลี้ยงงานอะไรอไม่ไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆแล้วก็ไม่เสริมสวยความงามด้วยเสื้อผ้าอผอมที่วิจิตรพิสดารหรือเสริมสวยความงามด้วยเครื่องสำอางต่างๆอื อันนี้มันเป็นความสุขประเดียวประดาเป็นความสุขชั่วคราวสู้ความสุขที่เราจะได้จากการเอาเวลามาให้กับการฝึกสตินั่งสมาธิไม่ได้ถ้าเราัวแต่เอาเวลามาให้กับการเสริมสวยความงามเสื้อผ้าพร่างต่างไปเที่ยวตามสถานบันเทิงตา่างๆเราก็จะไม่มีเวลาให้กับการปฏิบัติจิตตภาวนานท่านี้นเราต้องพยายามละเว้น ด้วยการรักษาศีลข้อที่เจดนี้ ส, นส่วนศีลข้อที่แปดก็คือไม่ให้เรานอนมากเกินไปเพราะการนอนมากเกินไปก็จะทําให้เราเสียเวลาของการปฏิบัติไปให้ให้นอนแบบพอพอต่อความต้องการของร่างกายเหมือนกับการรับประทานอาหารรับประทานให้น้อยนอนให้น้อยถ้านอนมากเกินไปมันก็จะทําให้ไม่มีเวลามาให้กับการปฏิบัติน วิธีที่จะนอนน้อยนอนไม่มากก็ต้องนอนบนที่นอนที่ไม่สาํารากที่ไม่สุกไม่สบายที่นอนบนพื้นแข็งแข็งนอนกับพื้นก็ได้นอนกับเตียงที่ไม่ไม่มีฟูกก็ได้ปู ด, ด้วยผ้าปู ด, ด้วยเสื่อก็พออย่างนี้เวลานั่งกายได้พักผ่อนพอแล้วสี่ห้าชั่วโมงก็จะตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาแล้วก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะว่ามันไม่สบาย แต่ถ้านอนบนเตียงที่มีผูกหนาหนาที่สุขที่สบายหลังจากที่ร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วตื่นขึ้นมาใจก็ยังจะไม่อย่างลุกใจยังอยากจะนอนต่อเพราะมันมันอยากจะอยู่กับความสุขของการนอนนั่นเองอก็จะทําทให้ต้องสูญเสียเวลามีค่าให้กับการปฏิบัติไปผู้ใดถ้ายังไม่สามารถรักษาสินตัดได้นี้จะหาเวลามาให้กับการปฏิบัติจิตภาวนาได้ได้ยากนุ่นได้น้อยมาก ไม่พอต่อผลที่จะเกิดขึ้นนะการจะปฏิบัติจิตตภาวนาที่จะทำให้เกิดผลเกิดขึ้นนี้จำเป็นที่จะต้องทำตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับนะสิ่งที่ต้องทำตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับก็คือสตินี่นะถึงแรกในการภาวนาในการที่ทำให้ใจสงบได้ น, นี้จำเป็นจะต้องเจริญสติก่อนต้องสร้างสติขึ้นมาก่อน เพราะว่าสตินี้เป็นผู้ที่จะมาหยุดจิตให้นิ่งให้สงบนั่นเองถ้าไม่มีสติแล้วจิตก็จะคิดเรื่อยเปื่อยไปคิดไปตั้งแต่ตื่นจนหลับถ้ามีการคิดอยู่เรื่อยๆนี้จิตก็จะไม่มีวันเข้าสู่ความสงบได้ถ้าอยากจะให้จิตสงบให้จิตได้พบกับความสุขที่เกิดจากความสงบก็จําเป็นที่จะต้องเจริญสติทั้งวนันทั้งคืนตั้งแต่ตื่นจนหลับ การที่เราจะมาฝึกสติเจริญทั้งวันทั้งคืนได้เราก็ต้องมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆพระพุทธเจ้าเลยต้องกำหนดวันพระขึ้นมาอาทิตย์ละหนึ่งวันให้เราเอาให้เราหยุดภารกิจการงานต่างๆทั้งโลกหยุดการไปหาความสุขทางโลกแล้วให้เอาเอาเวลาของวันหยุดนี้มาให้กับการหาความสุขทางใจทางความสงบ ทุกวันพระนี้เราควรที่จะหยุดภารกิจการทํางานทำมาหากินหยุดการหาความสุขจากลาบยศเสริเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะชนิดต่างๆเพื่อเราจะได้มีเวลามาให้กับการเจริญสตินั่งสมาธิมารักษาศีลแปดต้องทําในวันที่เราไม่ต้องไปทํางานถ้าเป็นวันที่เราไปทํางานนี่เราจะไม่มีเวลามาให้กับการปฏิบัติจิตภาวนาได้ นี่ก็คือสิ่งที่จําเป็นที่ต้องมีในการที่จะสร้างความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงคือเราต้องมีเวลาให้กับการปฏิบัติและเราก็ต้องไม่เอาเวลาที่เราให้กับการปฏิบัตินี้ไปใช้กับการเสพความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสผลสะพ้าคือเราก็ต้องมาถือศีลแปดนี้คือปัจจัยสองข้อที่เราต้องมีก้อนหนึ่งต้องมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆ อย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งวันสองต้องถือศีลแปดขึ้นไปสำรวมอินทรีย์สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายไม่ให้ใจไปเสกรูปเสียงกลิ่นรสผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วนอกจากข้อสองข้อนี้ยังต้องมีข้อที่สามก็คือเราต้องมีสถานที่สงบสงัดวิเวกสถานที่ไม่มีอะไรมารบกวนใจมายุโยนควนใจเราถ้าเราปฏิบัติอยู่ท่ามกลางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ เราจะทนต่อความยัอวยุนไม่ได้ทะนั้นไปอยู่ปฏิบัติอยู่กับคนที่เขากินข้าวเย็ยนพอตกเย็ยนเขาก็กินข้าวกันพอเขาเห็นเราไม่กินเขาก็จะชวนเรากินขึ้นมามันก็จะทําทให้จิตใจเราอวอกแวกอ่อนผ่อนกำลังลงได้เวลาใครมาชวนเพราะกิเลสมันอยากจะกินอยู่แล้วพอมีใครมาชวนเดี๋ยวก็อาจจะเป็นช่องทางของกิเลสว่าเก่งใจเขากินเท่าไหร่ก็เลยจะไม่ได้รัก แต่ั้านไม่ได้ะไไดะจะไม่ได้รักษาศีลเข้าหกแล้วจะไปกินอาหารพอกินอาหารแล้วก็เกิดความอิ่มขึ้นมาแล้วก็จะเกิดความขี้เกียจขึ้นมาเกิดความง่วงเหงาเหาานอนขึ้นมางเราต้องไปอยู่ห่างไกลบุคคลต่างๆบุคคลที่ก็ไม่ปฏิบัติบุคคลที่เขาไม่ถือศีลอย่างเหมือนลับต้องไปอยู่ตามวัดปฏิบัติกันตามสถานที่ปฏิบัติ สถานปฏิบัติธรรมนี้ส่วนใหญ่เขาจะให้ถือศีลแปดกันแล้วก็ไม่ให้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพานในรูปแบบต่างๆถ้ามีโทรศัพท์มือถือเขาก็ขอให้เก็บเอาไว้ก่อนไม่รื้อฝากไว้กับที่สำนักงานไม่ให้ใช้โทรศัพท์มือถือไม่ให้เปิดดูรูปไม่ให้ฟังเสียงจากโทรศัพท์มือถือเป็นต้นแล้วก็อย่าเลื่นไสถานที่นั้นก็จะเป็นสถานที่สงบสงัดไม่มีการส่งเสียงดังกัน บางสถานที่ก็ห้ามคุยกันเลยให้ให้ถือศีลเงียบก็คือไม่พูดคุยกันเพราะถ้าการพูดคุยกันนี้ก็เป็นการปล่อยโอกาสให้ความคิดมันคิดกันนันเ<ม>อเพราะก่อนที่เราจะพูดได้ใจต้องคิดก่อนพอพูดคุยกันใจก็จะคิดไปคิดไปคิดไปก็จะฟุ้งขึ้นมาเวลานั่งสมาธิก็นั่งไม่ได้หยุดอยู่ความคิดหยู่ความฟุ้งของใจไม่ได้เขาจึงมักจะไม่ให้ คุยกันไม่สนทนากันถ้าถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะให้แยกอยู่กันคนตามตามลำพังเลยถ้าเป็นการปฏิบัติแบบขั้นที่ที่ชํานาญนะผู้ที่ชํานาญแล้วเขาจะไปอยู่ที่ที่จะให้อยู่คนเดียวไม่ต้องเกี่ยวข้องกับใครแต่สําหรับผู้ที่เริ่มต้นใหม่ๆเขายังให้ฝึกอยู่ทำเป็นกลุ่มไปก่อนจะมีกิจกรรมเป็นกลุ่มทำ นั่งไหวพ้พระสวดมนต์พร้อมกันนั่งสมาธิพร้อมกันนั่งฟังเทศน์ฟังธรรมพร้อมกันทํากิจกรรมอะไรพร้อมกันไปก่อนแต่พอถ้าเริ่มฝึกไปแล้วเริ่มก้าวหน้าไปแล้วก็อยากจะแยกไปปฏิบัติตามลำพังเพราะการปฏิบัติร่วมกันมันก็จะมีมีมีมีความยากลําบาก ท, ที่จะที่จะก้าวหน้าไปได้เพราะแต่ละคนนี้ก็ยังเป็นคนที่มีความปฏิบัติไม่เท่ากันอยู่ ถ้าเราคิดว่าเราปฏิบัติอยู่คนเดียวได้แล้วเราก็ควรที่จะแยกไปปฏิบัติคนเดียวพวกที่เขาปฏิบัติหลายคนเพราะว่าเขายังต้องพึ่งพาอาศัยกลุ่มก้อนเกาะกันไปก่อนเพราะถ้าอยู่คนเดียวเขาปฏิบัติเองไม่ได้ต้องอาศัยอยู่ร่วมกันแล้วมีกิจกรรมที่ต้องทําร่วมกันไปก่อนเช่นนั่งไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิพร้อมกันเดินโยมกรมพร้อมกันทําอะไรพร้อมกันไปก่อน แต่ถ้าจิตเราเรามีกำลังสามารถไปปฏิบัติได้ตามลาพังแล้วเราก็ควรไปปีกวิเวกปฏิบัติคนเดียวจะดีกว่าเพราะเมื่อเราอยู่คนเดียวเราก็จะได้ไม่ต้องคุยกันเมื่อไม่คุยกันมันก็ไม่ต้องใช้ความคิดฉะั้นการที่เราจะทำจิตให้นิ่งสงบได้เราต้องหยุดความคิดเราต้องลดความคิดให้น้อยลงที่สุดด้วยการไม่ไม่พบปะกันไม่สนทนากันแล้วพอเราอยู่คนเดียวสิ่งที่เราต้องมี ก็คือมีสติคอยกำกับคอยควบคุมคอยหยุดความคิดเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะอยู่คนเดียวตามทางแต่ใจเราก็ยังอดที่จะคิดถึงคนนั้นคนนี้ไม่ได้อดคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ mm hmm. ตอนนี้แหละเป็นเวลาที่เราจะต้องเจริญสติทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยเอลืมตาขึ้นมาก็คอยคุมความคิดอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้จะ mm hmm. ใช้คําบาลีคำพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆก็ได้ mm hmm. หรือจะผูกใจไว้กับร่างกายก็ได้ให้ใจเฝ้าดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายร่างกายกําลังทําอะไรอยู่ก็ทําไปกับร่างกายร่างกายกําลังแต่งเนื้อแต่งตัวก็ทําไปกับอยู่กับการแต่งเนื้อแต่งตัวไปกําลังรับประทานอาหารก็อยู่กับการรับประทานอาหารไปแต่ว่าร่างกายจะทําอะไรเราก็อยู่กับร่างกายไปอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ แล้วใจก็จะค่อยๆหยุดความคิดลงความคิดก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆเบาไปเบาไปเรื่อยๆความคิดน้อยลงไปใจก็เบาขึ้นเย็ยนขึ้นสบายขึ้นพอเวลาพอถึงเวลานั่งสมาธิเราก็จะสามารถหยุดความคิดได้ mm. เวลานั่งสมาธิเราก็ถ้าเราใช้พุโทโธเราก็ใช้พุโทโธต่อได้ mm. พุโทโธนี้สามารถใช้ได้ในทุกิริยาบทไม่ว่าจะเดินยืนนั่งนอนทำอะไรก็พุโทโธกากับไปได้ หรเวลานั่งเฉยๆนั่งสมาธิก็ใช้พุทธโธก็ได้อย่างเดียวนะแต่ถ้าเราใช้การเฝ้าดูร่างกายเป็นการควบคุมใจไว้ไม่ให้ลอยไปลอยมาให้อยู่กับร่างกายพอเวลาเรามานั่งสมาธิเราก็ต้องใช้ลมหายใจเข้าออกเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ให้จิตใจลอยไปที่อื่นเวลานั่งสมาธิก็ต้องใช้อานาปนานสติคือการดูลมหายใจเข้าออก ด้วยการจดจอ่อดูลมอยู่ที่จุดที่ลมสัมผัสลมลมสัมผัสเข้าออกก็คืออยู่แถวบริเวณปลายจมูกหรือเหนือบริเวณริมฝีปากขึ้นมาเราจะรู้สึกว่าตอนนั้นคือจุดที่ลมเข้าลมออกลมสัมผัสเวลาเข้าเวลาลมออกก็จะสัมผัสอยู่ที่ตรงนั้นก็ให้เฝ้าดูอยู่ที่จุดเดียวไม่ต้องใช้คำบริกรรมพุทโธให้ดูลมอย่างเดียวถ้าทาได้ถ้าทไาทไม่ได้บางคนอยากจะใช้พุทโธด้วยก็ได้ แล้วแต่แต่ถ้าเป็นใบได้านดูเฉยๆจะดีกว่าจิตจะได้สงบได้ง่ายกว่าแต่บางคนจิตยังสติยังไม่มีกําลังพอที่จะดูลมเพียงอย่างเดียวได้ต้องอาศัยใช้พุโทโธหนึ่งไว้อีกอีกอย่างหนึ่งก็ก็ใช้ได้เหมือนกันแต่นั้นที่สุดคนจะใช้การอย่างใดอย่างหนึ่งจะดีกว่าพุโทโธอย่างเดียวก็ได้หรือดูลมหายใจอย่างเดียวก็ได้น เพราะตอนเราต้องการให้จิตเป็นหนึ่งไม่ให้จิตเป็นสองถ้ามีพุทโธมีลมนี้จิตยังเป็นสองอยู่ยังวิ่งไปวิ่งมาระหว่างลมกับพุทโธอยู่ให้เราอยู่กับอย่างใดอย่างหนึ่งทําจิตให้เป็นหนึ่งให้จิตรวมจิตจะรวมนิ่งสงบเป็นสมาธิจิตจะต้องเป็นหนึ่งต้องอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงอย่างเดียวให้ใจกับพุทโธนี้แนบติตกันเป็นเป็นเหมือนกับเนื้อหนังอันเดียวกันเลยหรือให้ใจอยู่กับลมหายใจแบบเป็น อันเดียวก็อันหนึ่งอันเดียวกันเลยรวมกับรวมกับผู้รู้ให้อยู่อยู่ติดกันเลยหรือพุโทโธกับผู้รู้ให้อยู่ติดกันไปเลย mm hmm. ถ้าเราสามารถควบคุมใจด้วยสติไม่ให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ได้ให้อยู่กับรวมก็ดีให้อยู่กับคําบริกรรมพุโทโธก็ดีได้เดี๋ยวไม่นานจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้ mm hmm. พอจิตรวมเข้าสู่ความสงบจิตก็จะเกิดความสุขขึ้น ที่พระเจ้าทรงตรัสว่าเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนันก็คือสุขที่เกิดจากการเข้าสมาธินัน่นเองในมัยเวลาจิตสงบก็มักจะสงบแบบชื่วแว บ, บเดียวชื่วงูแลบลินพอสงบปุ๊บได้แป๊บเดียวมันก็จะถอนออกมาเพราะกําลังของสติมีไม่มากพอที่จะดึงให้อยู่ไปได้นานๆแต่พอได้สัมผัสกับความสงบแมบบ้ แม้จะเป็นเพียงแค่งูแลบดินชั่วขณะฟ้าราบก็ตามความรู้สึกอันมหานันใจมันจะฝังอยู่ในใจเรามันจะทำให้เราระลึกถึงความสุขอ น, นี้และจะทำให้เรานี้อยากจะได้ความสุขอันนี้เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆมันก็จะทำให้เรามีศรัทธาความเพียรในการที่จะบําเพ็ญที่จะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะเอาเวลามาให้กับการปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น เรารู้ว่าความสุขที่เราได้จากการทําสมาธินี้มันเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่เราได้จากราบยศสรรเสริญอย่างรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัชชนิด ต, ต่างๆนั่นเองต่อไปเราก็จะลดการหาความสุขทางราบยศสรรเสริญสุขไปและเพิ่มเวลาให้กับการมาศึกษามาปฏิบัติจิตตภาวนาให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆต่อไปก็จะเพิ่มวันปฏิบัติจากอาทิตย์ละวันป husband, เป็นอาทิตย์ละสองวันอาทิตย์ละสามวัน ยิ่งปฏิบัติหน้าเราจะรู้สึกว่าเราไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมีเงินมีทองเลยเพราะความสุขจากการปฏิบัตินี้ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองเหมือนกับความสุขทางโลกที่จะต้องใช้เงินใช้ทองจะไปเที่ยวก็ต้องใช้เงินใช้ทองจะไปกินไปดื่มก็ต้องใช้เงินใช้ทองจะไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆก็ต้องใช้เงินใช้ทองแต่การมานั่งสมาธิทําจิตใจสงบนี้ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองเลยเราก็อาจจะ ลดการทำงานลดการหาเงินลงไปได้ตามลำดับเมื่อเราทำงานน้อยเราก็จะมีเวลาว่างให้กับการปฏิบัติมากขึ้นเราก็จะเพิ่มวันปฏิบัติเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆต่อไปเราก็า จ, จะเลิกหาเงินหาทองเลยก็ได้แล้วก็ไปบวชเลยก็ได้เพราะเราเริ่มเห็นแล้วว่าไม่เราเราู้แล้วว่าไม่มีความสุขใดที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากการทำใจให้สงบ นี่คือขั้นตอนของการสร้างความสุขให้กับใจเราให้ชีวิตของเราอยู่อย่างมีความน่มเย็นเป็นสุขเริ่มต้นจากการมีความกระตันอยู่กรตวเวทีทำนึกในบุญคุณของผู้อื่นแล้วก็ทดแทนบุญคุณที่ผู้อืนน่นมีกับเราแล้วก็ให้มีความเมตตาใช้ความเมตตาเวลาเราอยู่ร่วมกันอย่าจองเวรจองกรรมกันอย่าเบียดเบียนกันอย่าทำร้ายร่างกายและจิตใจกันให้ความสุขต่อกัน แล้วถ้าเราอยากจะมีความสุขมากเพิ่มไปกว่า น, นี้เราก็หาเวลาไปอยู่คนเดียวตามลำพังไปฝึกจิตตะภาวนาไปเจริญสติไปนั่งสมาธิเพื่อทำจิตใจให้สงบแล้วเราก็จะได้เข้าถึงความสงบที่สูงขึ้นไปตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดก็คือขั้นปัญญาหลังจากที่เราได้ความสงบจากจากการเจริญสติแล้วขั้นต่อไปเราก็มาเจริญปัญญาเพื่อให้เราได้ความสุขที่เหนือที่ยั่งยืนถาวร ความสุขได้จากสมาธินี้มันจะสงบชั่วขณะที่อยู่ในสมาธิพอจากสมาธิมาพอเกิดตัณหาความอยากต่างๆขึ้นมาความสุขนั้นก็จะหายไปถ้าอยากจะให้ความสุขที่ได้จากสมาธิอยู่ต่อไปเราก็ต้องใช้ปัญญามาหยุดความอยากต่างๆด้วยการพิจารณาไตรลักษณ์ในสิ่งที่ตัณหาความอยากอยากได้อยากได้รูปเสียงกลิ่นแล้วก็พิจารณาว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา อยาได้ลาบยศเสรเส่วนก็พิจารณาว่าเป็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาพอเห็นด้วยปัญญาว่าเป็นเป็นทุกข์เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาก็จะหยุดความอยากได้พอหยุดความอยากได้ความสงบสุขที่ได้จากสมาธิก็จะไม่สูญหายไปต่อไปก็ไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้เพียงแต่คอยกําจัดความอยากเพียง อ, อย่างเดียวให้หมดสิ้นไปจากใจถ้าสามารถกําจัดความอยากหมดสิ้นไปจากใจได้ใจก็จะพบกับความสุขที่ ที่แท้จริงที่ถาวรคือความสุขของมัณฑนิพานนิพ า, านังปรมังสุขถังแล้วก็จะไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเพราะเหตุที่พาให้มาเวียนว่ายตายเกิดมาทุกข์กับการมีร่างกาย ก, ก็คือความอย่างนี่เมื่อเราตัดปัญหความอยากได้ด้วยปัญญาแล้วต่อไปเราก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างสมบูรณ์อย่างถาวรเช่นนี้พระพุทธเจ้าและพระอาจัรยตถาวมได้หลุดพ้นกัน นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเราถ้าเราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านก็ขอขอให้พรขอให้พรยะทาวารกวาหาปุระปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตจินังเปตานังอุปกะปติอจิตังปัติตังตุมหังฮิปเมวะสมิชชาตุ สัพเพปุเรนตุสังขปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโอวิวัจฉันตุสัพพารุโควินาศตุมาเตภวทวันตรายุสุขีทีคายุโกภวะอภิวาตนาสีิทธะนิจังวุธาปะจายิโน จตารุธรรมะวะทานติอายุวโนสุขังภาลางช่วงตออไป น, นี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเป็นช่วงเดียวที่สะดวกที่สุดเพราะถ้าเราเลิกแล้วจะไม่สะดวกที่จะต้อง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 สองร้อยเก้าสิบสองท่านทาง YouTube Dr. V c h a n ว e ช69นหกสิบเก้าท่านทางวิทยุออนไลน์เจ็ดท่านคลั b h ฮ u s ์ห้าท่านผู้รับฟังหน้ากุฏิหนึ่งร้อยห้าสิบแปดท่านรวมทั้งหมดแปดร้อยสามสิบเจดท่านครับเชิญถามได้เลย กรับมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะมีคำถามฝากถามจากผู้รับฟังธรรมนากุติสามคำถามเจ้าค่ะคำถามที่หนึ่งเวลาเราไหว้พระและขอให้ท่านคุม้มครองตัวข้าพเจ้าและคนในครอบครัวท่านจะให้ตามคำขอไหมคะไม่ได้เร้เพราะว่าท่านไม่มีหน้าที่ที่จะมาคุ้มครองเรา มันมีหน้าที่สอนเราให้เราคุ้มครองตัวเราเองด้วยการกระทาของเราเองถ้าเราทำดีความดีก็จะคุ้มครองเราถ้าเราทำไม่ดีความไม่ดีก็จะทำร้ายเราส่วนทางมันมีมันมีสองส่วนส่วนส่วนทางร่างกายนี้มันอยู่ภายใต้กฎของไตรักของอนิจจังทุกขังอนัตตาร่างกายของคนทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ต้องเจวกับภัยต่างๆอาจจะตายจากภัยพิบัติต่างๆอาจจะตายจากสาเหตุต่างๆอันนี้เป็นกฎของธรรมชาติไม่มีใครยับยั้งได้แม้แต่ร่างกายของพระพุทธเจ้าเองก็คุ้มครองพระองค์ก็คุ้มครองร่างกายของท่านไม่ได้ร่างกายของท่านก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนกันแต่จิตใจนี่คุ้มครองได้ด้วยการกระทําของตนเองทําดีจิตใจก็จะปราศจากความทุกข์ ทำชั่วก็จิตใจก็จะมีแต่ความทุกข์ฉ mm hmm. นั้นเราทําได้ก็เฉพาะราราเรื่องจิตใจของเรา mm hmm. ร่างกายของเราเราก็ดูแลรักษาไปตา ม, ตามกำลังของเราแต่เมื่อมันถึงขีดที่มันสุดวิสัยเราก็ต้องทาอะไรไม่ได้นั้นการกราบไหว้าพระเนี่ยขอพรพระใส่ mm hmm. มันไม่ได้หรอกพระเจ้าบอกว่าต้องทา mm hmm. ทาดีได้ดีทําชั่วได้ชั่ว เจ้าค่ะคำถามข้อที่สองเวลาเราเอาอาหารและผลไม้ไหว้เจ้าที่เจ้าที่ได้รับไหมคะแต่ได้ทําแล้วมีความรู้สึกเป็นสุขและเชื่อว่าท่านคุ้มครองอะไรให้ตามที่เราขอคะ่ะก็เวลาที่เราจะไปถวายก่อนที่เราจะไปไหว้เราก็ชั่งน้ําหนักดูก่อนเนี่ยของมันกี่กิโลแล้วเวลาไหว้เสร็จแล้วเรามาชั่งใหม่ยดูว่ามัน มันลดน้อยถอยลงไปหรือเปล่าไม่ได้หรอกเขาเป็นดวงวิญญาณถ้าเป็นเจ้าเจ้ากรรมในเวรเขามีเป็นดวงวิญญาณเขากินของที่มนุษย์ร่างกายมนุษย์กินไม่ได้หรอกเขากินได้ก็คือบุญกุศลที่เราส่งไปให้เขาด้วยการทําบุญทําทานแล้วก็อุทิศบุญให้กับเขาไปเจ้าค่ะคำถามข้อที่สาม เป็นคนขี้โกรธง่ายไปอยู่ที่ไหนคนก็ไม่ชอบรู้สึกเหนื่อยกับชีวิตค่ะรบกวนขอคําชี้แนะจากพระอาจารย์ค่ะเพราะเราเป็นคนจู้จี้จุกจิก <c oughs> อยากความโลภความอยากมากมันก็เลยทาให้เราไม่ค่อยมีความสุขกับใครดังนัต้องหัดฝึกทาจิตใจให้สันโดษ ย, ยินดีตามมีตามเกิด <c oughs> อยากเป็นจู้จี้จุกจิก ร้อนก็ได้นาวก็ได้ฝนตกก็ได้แดดออกก็ได้อย่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้พอมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็จะทําให้จิตใจเรามันหงุดหงิดเวลาที่มันไม่เป็นไปตามความอยากของเราเห็นพยายามลดความอยากของเราให้น้อยลงไปแล้วหัดฝึกยินดีตามมีตามเกิดแล้วจิตใจเราจะไม่วุ่นวายจิตใจเราไม่จะไม่ไมีปัญหากับใครเจ้ า, าค่ะคําถามจากอินบ็อกเจ้าค่ะ นมัสการพระอาจารย์ค่ะขอกราบเรียนถามเจ้าค่ะถ้าร่างกายตายไปแล้วได้ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์ดวงจิตจะเป็นดวงเดิมหรือไม่คะขอบพระคุณค่ะก็ดวงจิตเนี่ยที่ไปเกิดใหม่ไม่ใช่ร่างกายร่างกายเป็นดินน้ำลมไฟมันก็กลับเคลื่นสู่ดินน้ำลมไฟไปดวงจิตที่มีร่างกายนี้ก็ไปหาร่างกายอันใหม่ก็เป็นคนเก่าเคยชอบอะไรก็ชอบเหมือนเดิมเคยเกลียดอะไรก็เกลียดเหมือนเดิม เคยทำอะไรก็ทำเหมือนเดิมต่อไปคนเป็นจิตดวงเดียวกั น, ค น, กนคนเดียวกันคำถามจากอินบ็อกซ์เชาค่ะกราบในมัสการพระอาจารย์ดิฉันนั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมงถ้านาฬิกาไม่ดังจะไม่ออกไม่ลืมตาจะเกิดอารมณ์คิดรู้คิดคิดจนมันหยุดคิดเริ่มมาชานเน็บ ตึงอดทนได้ยุบหนอพ้องหนอและสักพักเบื่ออยากออกบอกตัวเองว่าห้ามออกภาวนารู้หนออดทนหนอและมีอาการหาวให้รู้ว่าหาวหนอจนจิตนิ่งอารมณ์คลายตัวขาตึงเบาลงจิตอึอดอัดเบาลงจนหมดเวลารู้ว่าครบค่ะจะออกจากสมาธิทำแบบนี้ทุกวันอารมณ์แต่ละวันต่างกันไปค่ะ พระอาจารย์ฝากถามภาวนาตามจริงแบบนี้ถูกไหมคะถ้าเรานั่งตามเวลาที่เรากาหนดได้ไม่รู้ก็อย่างน้อยเราก็ได้สัจจะความตั้งใจได้สัจจะอธิษฐานคือเราได้ทำตามความตั้งใจของเราได้ขันติความอดทนต่อความอยากที่อยากจะเลิกแต่ผลที่จะได้คือความสงบนี้ก็อยู่ที่ว่ามันสงบมากสงบน้อยอันนี้ก็ได้ผลดี แต่ถ้าเป็นไปได้เราควรที่จะมีอะไรไว้คอยกํากับใจเวลาที่เ ร, uh huh. เรานั่งเช่นถ้ามีพุโทโธก็อยู่กับพุโทโธไปอย่างเดียว uh huh. ถ้าเรามีพุโทโธแล้วอาการทรมานต่างๆมันจะน้อยลงอาการอยากจะเลิกมันก็จะน้อยลงอยู่กับพุโทโธไปเดี๋ยวเพลินมันก็ลืมเวลาไป uh huh. ถ้าเราไม่มีสติเรามักจะคิดถึงเวลาว่าเมื่อไหร่จะถึงเวลาสักทีหนึ่งเมื่อคิดถึงเวลาก็อยากจะเลิกอยากจะอยากจะลุก พอเกิดวความอยากจะรูกอยากจะเิ่ว่าเกิดความทรมานใจขึ้นมาแต่อาศัายว่าความมีความอดทนก็เลยทนอยู่กับมันได้ต่อไปแต่วิธีที่ควรก็คือไม่ควรที่ไปกำน ง, งคิดถึงเรื่องเวลาคิดถึงอะไรให้อยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆจะดีกว่าเจ <c oughs> ้าค่ะคำถามจากทางยูทูบการที่ผู้ปฏิบัติเข้าถึงพระนิพพาน ที่มีพระนิพพานเป็นเมืองแก้วมีพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ที่เป็นแก้วใสนั่งสมาธิสงบนิ่งอยู่ในพระนิพพานมีคําถามดังนี้ครับข้อที่หนึ่งพระนิพพานที่พระพุทธเจ้าเป็นแก้วใสนั่งสมาธิในนิพพานเป็นนิพพานที่แท้จริงหรือเป็นนิมิตนิพพานครับไม่รู้เหมือนกันนะแต่นิพพานก็คือ จิตที่สงบป่าสจักตันหาความอยาก mm hmm. เรียกนิพพาน mm hmm. ถ้าจะเป็นอย่างอื่นนี้ก็แล้วแต่คนที่เขาพูดกันเราต้องไปถามคนที่เขาพูดว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะเราไม่ได้เห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ mm hmm. เห็นว่าเป็นจิตที่สงบ mm hmm. จิตที่สะอาดบริสุดธิ์ป่าสะจากตันหาความอยากต่งตงางๆใช่ค่ะข้อที่สองหากเป็นนิมิตนิพพานมีวิธีปฏิบัติ เพื่อแก้ไขอย่างไรครับก็เราไม่ได้ไปแก้ไขมันเป็นอะไรมันก็เป็นของมันไปแต่ถ้ามันเป็นอย่างที่เราพูดก็แสดงว่ามันไม่ใช่ของจริงเป็นเป็นจินตนาการของจิตปรุงแต่งขึ้นมาของจริงมันจะไม่มีอะไรมันจะว่าง น, นิบานังปลมังสุญยังข้อที่สามสภาวะนิพพานเป็นอย่างไรครับก็เป็นสภาวะปัสจากกิเรปัญหา อาชาจากความอยากต่างๆ จ, จิตมีแต่ความสุขมีแต่ความอิ่มความพอเจ้าค่ะคำถามจาก YOUTUBE น้อมกราบขอถามค่ะเวลานั่งสมาธิไม่มีเวทนาทางกายและทางจิตใจสงบนิ่งเวลาหลับตานั้นเหมือนกับลืมตาคือสว่างจนแสบตาไปหมดเจ้าค่ะ ก็อย่าไปสนใจกับอาการต่างๆเพราะมันไม่ใช่เป็นผลที่เราต้องการผลที่เราต้องการก็คือความนิ่งความสงบความว่างเปล่าอย่าไปติกดกับสิ่งต่างๆที่ปรากฏขึ้นมามันเป็นตรายลักษณ์มันเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาคำถามจากยูทูเจ้าค่ะกราบพระอาจารย์ครับบางครั้งเวลานั่งสมาธิแล้วมีความรู้สึกว่าร่างกายหายไป จึงรีบขยับตัวอยากสอบถามว่าปฏิบัติได้ถูกทางไหมครับถ้ามันหายตัวหายไปแล้วจะไปขยับตัวได้ยังไงมันหายไปแล้วจะไปขยับมันได้ยังไงแสดงว่ามันไม่หายแล้วเจ้าค่ะคำถามจาก y o u t u ู e สติปัญญาอัตโนมัติที่กำจัดอสวกิเลต อยู่ในชั้นอัปปนาสมาธิหรืออุปจารสมาธิครับเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนบรรลุโสดาบันใช่ไหมครับขอพระอาจารย์เมตตาแนะนำวิธีการปฏิบัติตั้งแต่เริ่มต้นโดยละเอียดด้วยครับโอ้ยมันต้องใช้เวลามากมาบวชเลยแนละ้วขั้นบารียนรู้พูดไปเดี๋ยวก็ลืมนะเมืองตอนนี้ก็มาบวชให้ได้ก่อนนะ เจ้าค่ะคำถามจากคุณใบยกลูกนั่งสมาธิจนถึงสภาวะของอุเบกขาพอออกพอออกมาลูกเข้าใจได้เลยเจ้าค่ะว่าทำไมหลายท่านจึงเฉลยภาวนาและอดอาหารได้สภาวะนี้คือลูกปฏิบัติถูกต้องและแล้วถูกต้องหรืออย่างไม่อย่างไรคะ ก็ถ้าเรามีความสุขมีความอิ่มใจพอใจก็ถูกต้องถ้ายังมีความหิวความอยากอยู่ก็ยังไม่ถูกต้องยังไม่มีคำถามเข้ามาเจ้าค่ะเวลาจิตสงบแล้วมันจะอิ่มใจสุขใจเบาใจสบายใจส่งคำส่งไปไปมีชาวต่างชาติเขาคงจะพูดเป็นภาษาอังกฤษมั้ e close to the microphone. n a m a s a n a a s u c h a I'd like to understand a bit more about how to apply uh, the four foundation of mindfulness in daily moments. Um, I'm a little bit confused because I've heard some teachers say we should have a a base meditation object to always come back to during daily moments. But I understand with the Four Foundation of Mindfulness. For example, brushing teeth. I can see, you know, the the teeth as the body earth element, the movement as the body movement, and then I can also see the feeling, the pleasant or unpleasant. So I can see all of that. But I'm not sure if I should be looking at all of that um, when I do all those things. Seems to be a lot to look at. And yeah. Mm. Okay. The Four Foundation of Mindfulness is instruction. Onto w separate practices: one, mindfulness; two, meditation; third, wisdom. And you don't practice them all at the same time. You do step by step. First step is to practice mindfulness. Be mindful with of the body, every movement of the body, from the time you get up to the time you go to sleep. Tie the mind with the body. To prevent the mind from wandering, thinking about this and that all day long, you want to still the, the mind by stop thinking. So you have to tie the mind to something like the body. That's why you have to be mindful of your movement: standing, walking, sitting, lying down, eating, dressing, taking a shower, whatever you do. Stay with the body, don't go elsewhere. This is the first step of the practice. Once you are able to control your your mind to stay with the body, not go thinking about this and that, then you are ready for meditation. So you go sit down and then use the breath as your object of meditation. Focus what focus your mind on the breathing in and out of the of the breath. Just focus, just watch at the tip of the nose, until the mind become absorbed and enter into jhana. That's the second practice. s yeah. The third practice: once you have jhana, when you are not meditating, you just you can start studying the nature of the body first. See the impermanent nature of the body. The body c h a n g e from the birth to death. Okay, and it is something that you cannot control. It's anatta. So if you don't want to have any dukkha or stress, you just have to let go. You should not have any cravings for the body, for it to not to get old, not to get sick, or not to die. So this is vipassana or wisdom, the third practice. And you do this first with your body until you can let go of your attachment to the body. You no longer worry about the body whether it gets sick, get old, or die or not. Then you go to the next object, which are your feelings. Your feeling also is anicca, impermanent. It keep changing all the time. Sometimes you have good feeling, sometimes you have bad feeling, sometimes you have neutral feeling. And these neutral feelings are not under your control. If you t if you try to control them, you will get dukkha because you will not be able to achieve it. So you have to leave, leave, leave it alone. Let it come and go as as it like. Let good feeling come and go. Let bad feeling come and go. Let neutral feeling come and go. Then you will have no dukkha regarding the feelings. And then you, after this, you go to the third object, which is your mind. Your mind is constantly changing also. Someday you have a happy mind. Someday you have a sad mind. Someday you have a stressful mind. Someday you have a angry mind. You have to understand this, this, this state of mind are, are created by conditions beyond your control. So try not to control t h i s states. Let them come and go, just like feelings. If you can do this, then your mind, your mind will be peaceful and have no stress. So these are three steps of practices containing the core foundation of mindfulness. So just double-checking my understanding is to gradually move through the the different foundations and mature the p r a c t i c in g m i n d first, and then you move have to through. first develop mindfulness. Mm -hmm. Once you have mindfulness, then you can meditate mm -hmm. to get into jhana. Mm -hmm. Once you have jhana, you have the mind strong enough to to study the nature of the body, feeling, and of the mind, and able to let go of your attachment to them, leave them alone. Uh, just a, a follow-up question, uh, Tanajang. Where's the uh, pleasant and unpleasant feelings coming up? Uh, I understand. I just heard you saying that can just watch it arising and falling and let them go. Um, I've also heard some other teaching that to uh, to th think of the drawbacks or think of the opposites of some of the, say, the pleasantries or or that to counter that. Um, what what do you advise? I cannot say. anything. For other people, what they say, uh, I can so tell just you just to accept it and let them leave them alone. Okay. Don't try to change or manage them, because when you cannot, then you can get suffering. If you don't want to have any suffering, just leave them alone. Using equanimity as your position, just just merely observing and let things come and go. They are not that; they are like the weather. You cannot control the weather, right? Mm. s o so you cannot control these things—the body, the feelings, and the mental states. Mm. But you can control your mind not to be affected by the changing nature of these things. But just be merely knowing. Stop all craving. Stop all your craving to control things. Then you'll be you'll be calm and peaceful and not hurt by anything. Thank you, มีคำถามจากทางเฟซบุ o กเจ้าค่ะถามเข้ามาว่าเวลานั่งสมาธิสักพักก็จะง่วงขาดสติแบบจะฝันตลอดจะต้องเตือนตัวเองให้มีสติให้อยู่กับคำบริกรรมคบริกรรมได้อย่างไรครับก็อย่าไปกินก่อนนั่งสมาธิเถ้ากินแล้วมันอิ่มมันก็ง่วง ถ้าอย่ากยานั่งสมาธิก็นั่งก่อนกินเลยตอนที่มันหิวมันจะได้ไม่ง่วงเค่ะคำถามจากยูทูบน้อมกราบการเจริญปัญญานั้นเจริญปัญญาตอนนั่งสมาธิได้ไหมเจ้าคะ่ะไม่ได้หรอตอนนั่งสมาธิต้องการหยุดความคิดให้จิตนิ่งสงบเป็นสมาธิให้เกิดอุเบกขาเกิดความสุข อยกจะเจริญปัญญาตั้งรอนตอนออกจากสมาธิก่อนเช่นตอนนี้เจริญได้เลยคิดทางด้านปัญญาคิดว่าร่างกายเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคิดไปทั้งวันเพื่อไม่ให้ลืมเพื่อจะได้ปล่อยวางร่างกายนั่งกายมันจะแก่ก็ปล่อยมันแก่ไปมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปมันจะตายก็ปล่อยมันตายไปเพราะเราห้ามมันไม่ได้มันต้องเป็นอย่างนี้ถ้าเราไปห้ามมันแล้วไม่ห้ามไม่ได้เราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ถ้าเราไม่อยากจะมีความทุกข์ใจกับร่างกายก็ต้องปล่อยร่างกายให้เป็นไปตามเรื่องของมันเชาค่ะยังไม่มีคําถามเข้ามาเชาค่ายัง อ, อยากจะถามอีกไหมเชิญถามได้นะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเลือกแล้วอย่ามาอย่าเข้ามาถามนะเพราะว่าจะไม่สะดวกสอบโอเคถ้าไม่มีก้าวท่านี้ก่อนสาหรับวันนี้